คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์ทางเผียวธรรมะคอมเรามาพบกันทุกสัปดาห์มีอาตมารพระไพรวลย์อภิปุนโนเป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกับครับกับผมทันทแพทย์นัทกะพงศ์ตนกวิรุณนะครับร่วมดำเนินรายการด้วยนะครับวันนี้เราจะมาต่อเนื่องของหัวข้อเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะครับท่านทุกสัปดาห์จริงๆก็มีเราสองคนนี่แหละเนาะหมอธันทะพงศ์เนาะจะมาพบกับท่านผู้ฟังแล้วก็นำเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับเรื่องของธรรมวนะครับ ธรรมะที่พระรูเจ้าสอนไม่ใช่ธรรมะอย่างอื่นๆครับที่พระรูเจ้าสอนไว้เอามาก็เรียกว่าตีแผ่เบิดเผยให้เผยทึบซึ้งเลยนะครับครับแล้วก็ถ้าใครมีคําถามไม่ส่งมาที่ซึ่งส่งมาที่แปรมัตเนาะเผวรมซึ่งเหมือนกับวันนี้มีคําถามอยู่มาลัทธพงศ์ครับคําถามจะไว้ตอนท้ายคือเนื้อหาหลักของวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องต่อเนื่องนะครับเกี่ยวกับต่อจาก คราวที่แล้วซึ่งได้เริ่มต้นของปฏิจจสมุปบาทไว้นะครับก็มีการพูดถึงว่าเออปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นธรรมที่อ่าเรียกว่าอาศัยเกิดขึ้นซึ่งกันและกันนะครับจะมีหมวดธรรมเป็นคู่ๆนะครับซึ่งจะมีคําหลักก็คือว่าบอกว่าเมื่อเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีใช่ไหมครับท่านใช่ใ ช, ใชครับแล้วก็แล้วก็วกเออ หาความสัมพันธ์ของข้อธรรมต่างๆนะครับครับจริงๆตรงนี้เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าหัวใจหลักของคําสอนพระเจ้าที่ว่าเป็นความเป็นเป็นผลเลยอ๋อครับแล้วก็จริงๆแล้วคําสอนพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องแบบปาฏิหาริย์ห่อเหินเดินตกาหรือว่าเครื่องรางของขลังหรือเที่ยวบนบานสันกล่าวอะไรเงี้ยนะครับศัยศาสตร์อะไรอย่างนี้ไม่ใช่แต่ทุกอย่างเป็นเหตุผลไงครับถ้าไม่งั้นนะหมารัตพง์ตอนที่พระเจ้าตั้งอยู่นั่งอยู่ใต้ต้นล้มไม้โพน พระเจ้าอาจจะแบบว่าข้าแต่เทพเจ้าแห่งต้นไม้โพขอให้ฉันกลายเป็นสัมมาสมัมพุทธะโอ้โหมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะใช่ใช่ไหมแต่แต่เพราะว่าเหตุของการเป็นสัมมาสมัมพุทธะมีอะไรท่านทําได้ซึ่งเหตุนั้นนะเป็นความเป็นเหตุเป็นผลที่ที่พื้นฐานมากๆเลยแล้วสิ่งเหล่านี้ก็อธิบายไว้เป็นเรื่องเป็นราวที่เราติดตามได้ฟังให้เข้าใจได้ไม่ใช่เรื่องที่ลึกซึ้งเกินเอื้อมหรือเป็นแบบ เรื่องของภาษาอะไรย่างนั้นไม่ใช่เลยแต่เป็นเรื่องที่เราฟังได้เข้าใจได้จริงๆครับเหมือนรตถาคตเคยกล่าวไว้ว่าสิ่งที่ท่านนํามาสอนเนี่ยเป็นเรื่องที่ปุถุชนมนุษย์เราเนี่ยเข้าใจได้แล้วก็ปฏิบัติให้เข้าถึงบรรลุได้ใช่ไหมครับใช่ใช่แต่มีคนที่แบบบรรลุไม่ได้ก็มีนะพวกไม่มีศรัทธาอ๋อนาชันเลวอย่างเงี้ยนะมันก็พุทธยากสอนยากก็คยกมันเหมือนบวชใต้น้ำเอ้าใช่ไหมครับ เอาหัวมันมาแล้วก็เอาตะช่างมาแล้วก็ช่างลงไปยกเลาไว้ข้างหนึ่งก่อนอย่างเงี้ยนะส่วนพวกที่มีศรัทธาก็สามารถทําได้พระเจ้ายืนยันไว้ชัดเจนนะว่ามาเถิดวินยูชนผู้เจริญนะเมื่อเรากล่าวสอนอยู่แสดงธรรมอยู่เธอปฏิบัติอยู่อย่างอย่างที่เราสอนไม่นานก็จะทําให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งการปฏิบัติได้อืกายกในบนรรลุมรรคผลได้ภายในเจ็ดปีเจ็ด ป, ปียกไว้ก่อน ถ้าเมื่อเราพร่ำสอนอยู่แสดงทําอยู่เธอปฏิบัติอยู่อย่างที่เราสอนเธอจะทําให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งการปฏิบัติได้ภายใน6ปีอหกปียกไว้ก่อนก็นแล้วกัน <migrate S 1> ถ้าเธอฟังเราอยู่นะทําอยู่อย่างที่เราสอนห้าปีห้าปี <donít? S 2> ยกไว้ก็ได้ถ้าเธอทําอย่างที่เราสอนนะสี่ปีสี่ปียกไว้ทําอย่างที่เราสอนนะทำอย่างที่เราสอนเลยนะไม่ทําอย่างอื่นสองปีนะั่นเองสองปียกไว้ผู้รูจารไล่ลงมาหนึ่งปี หนึ่งปียกไว้ถ้าเราแสดงทำอยู่เธอปฏิบัติอยู่อย่างที่เราสอนเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนยกไว้ก็ได้ถ้าเธอปฏิบัติอยู่อย่างที่เราสอนห้าเดือนสี่เดือนสามเดือนสองเดือนหนึ่งเดือนแล้วก็ถ้าเธอปฏิบัติอยู่อย่างที่เราสอนเจ็ดวันสั้นที่สุดคือเจ็วันนะครับหกวันห้าวันสี่วันสามวันสองวันหนึ่งวันหรือบอกวันนี้พรุ่งนี้เช้าได้สร้างขนาดนั้นเลยอาถ้าเราแสดงทำอยู่เธอปฏิบัติอยู่อย่างที่เราสอนนะ บอกเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ก็มีบอกว่าอย่าโกรธนะครับอ่าบอกว่าอย่าโลภนะบอกว่าให้พูดสัมมาวาจานะอา้าวเราทํำไหมละ่ะถ้าเราทําต้องได้โอ้ได้สร้างเหตุ น, น, นั้นใช่ผลก็จะได้ตามีเพราะฉะนั้ น, นถ้าพุทธเจ้าแสดงทำอยูนะ่เราปฏิบัติอยู่อย่างที่พระองค์สอนเนี่ยยังไงก็ต้องได้แต่ประเด็นคือมันไม่ทําอำ ใช่ปัญหาในธรรมวินัยนี้มันไม่ได้อยู่ที่อย่างอื่นมรดฐพงศ์มันไม่ได้อยู่ที่ว่ามันจริงหรอไม่จริงอมันอยู่ที่ไม่ทําไม่ได้ทําถูกต้องครับมันอยู่ที่<ด>ไม่ยอมทําบอกให้ทําอย่างนี้อย่างนี้มันไปทําอย่างอื่นมไม่ได้เรื่องเพราะฉะนั้นต้องฟังปฏิจจสมุัติเรื่องของ ค, ความเป็นเหตุเป็นผลเพื่อสร้างรเรียกว่าความมั่นใจในธรรมวินัยนี้ว่ามันเวิร์กแน่นอนครับ ใช่ครับจริงๆริงนะเนี่ยหมอรัพง์อมาจะพูดให้หมอรัตพง์ฟังแล้วก็ทฟังทั้งหมดฟังด้วยคือพูดอย่างนี้เราไปพูดที่อื่นไม่ได้คือแบบว่าพูดออกรายการที่วิทยุประเทศไทยหรือว่าเอฟอมร้อยหมันพูดไม่ได้ข่ามันจะต้องพูดแบบว่านิ่มๆนิดนึงใช่ป่ะใช่ครับก็ต้องพูดแบบไปเรื่อยๆตามน้ำไปเพราะนั้นเขาก็จะมีผู้ที่มีอุปการะกับทางสถานีใช่ไหม ถ้าใครต้องการแบบว่าฟังธรรมะที่แบบเนื้อเนื้อเน้นเน้นเข้มข้นเ้มนะให้มาที่เพียวธรรม a คอมออนไลน์ออนไลน์ก็ออนไลน์รับได้ก็ฟังรับไม่ได้ก็ก็ฟังด้วยก็แล้วกันแต่ว่าถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยไม่เข้าใจหรือว่าติดขัดอะไรอยากจะรู้เพิ่มเติมเนี่ยส่งคำถามมาได้เลยนะครับรายการเรายินดียินดีที่จะตอบในทุกแง่ทุกมุมเลยนะครับใช่รับถ้าอามาตอบไม่ได้ก็ให้หมอทั์ฟงแหละตอบ ช่วยยินดีครับวันนี้ก็ประเด็นที่จะพูดถึงเรื่องของธรรมะที่เป็นเหตุเป็นผลนะใช้คำง่ายๆกันแล้วกันคือเรื่องของอันนี้หมอรัตพง์ที่ภิกษุผู้หนึ่งที่ชื่อมิขาชาละมัง้งมิขาชาละ ม, ะ ม, มะไีไปถามพระพุทธเจ้าว่วาเอ๊ะใครนอมาเป็นคนที่รู้สึกนะ หรื อ, อว่ามีภิกษุผู้หนึ่งที่บอกว่าวิญญาณเนี่ยเที่ยวไปเกิดไปตายนะเดินทางท่องเที่ยวไปข้ามสังสารวัฏภพชาติอะไรอย่างเงี้ยนะพระเจ้า บ, บ, บ, บอกไอ้อันนี้เราไม่ได้สอนนะออือออแล้วก็ยังพูดว่าเป็นคําถามที่ไม่ควรถามเลยเป็นคําถามคือมันผิดตั้งแต่คําถามแล้วนะถามว่าใครเป็นผู้รู้สึกใครเป็นผู้กินอาหารใครเป็นผู้มีเวทนาใครเป็นผู้เ อ, อมีตัณหาคําถามมีผิดมาตั้งแต่แรกแล้วผิดเลยเพราะว่า ไม่มีตัวตนใช่ไหมครับจริงๆตรงนี้เราต้องอธิบายท่านผู้ฟังฟังอาจจะแบบว่ามึนๆ น, นิดหนึ่งคือเหตุของเรื่องของเรื่องเนี่ยนะพ ร, ระธมาได้รับการถามอยู่บ่อยๆว่าเอ๊เราจะทํายังไงแผ่เมตตาอะไรยังไงให้กับเจ้ากรรมนายเวครคือเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยจะมาเชื่อมต่อสามารถตอบคําถามได้ด้วยของปัจียติสมุบาทนี้ได้ว่าเป็นเหตุเป็นผลครับเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยจริ ง, รงๆเนี่ยมันไม่มีคือคําว่าเวรเวรเนี่ยพระเจ้า เป็นพุทธปรจนะได้เคยสอนไว้นะการผลูกเวนไม่ดีคนะบอกว่าเราจะต้องแพ่ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวนเจ้ากรรมนายเวนจะเอาอะไรกับเราจะทํายังไงกับเจ้ากรรมนายเวนปถุ๋ยเวนอ่ะมีกรรมมีแต่ความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะไรยังไม่มีออนะเพราะฉะนั้นเจ้ากรรมนายเวนมันไม่มีหรอกความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะไรไม่มีนะแต่เวนเวนอ่ะมีนะเป็นการปลูกเวนมี กรรมมีกรรมดํากรรมขาวมีแต่ความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของอะไรไม่มีไม่มีครับเพราะฉะนั้นเจ้ากรรมในเวรก็ช่างหัวเขาเถอะนะแต่ถ้าเธอยังมีภาษาอยู่เธอจะต้องมีเวทนาครับถ้าเธอมีเวทนาอยู่เธอต้องพ้นไม่พ้นไปจากทุกข์แตถ้าเธอคิดว่าโอ้เวทนาที่เกิดขึ้นกับเรานี้คนอื่นบันดาลให้เจ้ากรรมในเวรบันดาลให้ต่อให้มีเจ้ากรรมในเวรนะหรือไม่มีเจ้ากรรมในเวรนะก็ทุกนี่เกิดเพราะภาษาเป็นปัจจัย ต่อให้เจ้ากรรมในเวรไม่มีจริงๆนะหรือเจ้ากรรมในเวรมีจริงๆก็ตามนะก็ทุกก็เกิดเพราะาปัจจัยต่อให้คนอื่นมาไม่ใช่เจ้ากรรมในเวรหรอกและคนอื่นบันดาลให้หรือว่าเราทําเองก็ตามนะทุกก็มีเพราะปัจจัเป็นปัจจัยถ้า ค, คุณไปห้างสัปปิสินค้าแล้วยังมีความชอบอยู่ในกระเป๋ารองเท้าเออเห็นสิ่งนี้ก็ไม่ชอบสีนั้นก็เปลี่ยนแฟชั่นไปแล้วเราก็จะต้องมีความสุขทุกขที่เป็นไปเพราะสิ่งนั้นเป็นปัจจัยคือปัจจั ใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นจึงต้องทำความเข้าใจตรงนี้พระเจ้าจึงบอกอ่าิกษุชื่อน่าจะชื่อสุสิมะนะหรือชื่อมิชาละนี่แหละเนาะอ่าที่ถามเรื่องของคำถามว่าใครเป็นคนผู้ผู้มารู้สึกครับนะใครเป็นผู้ที่มามีความรู้สึกชอบไม่ชอบพระเจ้าบอกเฮ้ยเรค่องคำถามอย่างนี้เป็นคำถามที่ไม่ถูกต้องอืมคือตั้งคำถามก็ผิดแล้วไม่เป็นคำถามที่ไม่ควรจะเป็นคาถาม อ้าวแล้วคําถามที่ถูกคืออะไรคำถามถูก็บอกว่าคําถามที่ถูกก็คือนะเอ๊ะสิ่งนี้ผัสสกที่มีเนี่ยเพราะมีอะไรเป็นเหตุอ่าใช่ครับเป็นคําถามที่ควถามในคําถามนั้นคําตอบคือว่าอะไรผัสสะมีเพราะเหตุคืออายตนะอายตนะจิตของเราเนี่ยไปมีทางออกอ่ะมีรูมีแผลพระเจ้าใช้คำนี้จิตนี่ยมีแผลทางตาหูจมูกลิ้นกายใจครับนะพอจิตเนี่ย มีแผลทางตาหูจมูกเรื่กระจายจิตมันก็มีการรับรู้สิ่งมีผัสสะได้สิอืที่เรียกว่าจิตส่งออกอย่างนั้นใช่ไหมครับอ่ามีแผลว่าน้นเถอะอืมๆๆๆมีรู้ร่วแล้วก็อ่อาอยตนะภายนอกก็เข้ามาอย่างนั้นใช่ไหมครับคือจิตสองออ่งออกนี่เป็นพุทธวจนะไหมหมอรัตพงศ์ไม่ไม่เจอครับท่าน เ, ออเ ข, าข้าใจว่าน่าจะเป็นคํารุ่นหลังมากกว่าใช่ใช่เพราะฉะนั้นผู้รู้ชอบใช้คําว่าเป็นแผล เป็นแผลเป็นแผลมีรูรั่วเ้าเรียกว่าช่องนะเป็นเป็นช่องที่มันจะได้โอกาสเพราะฉะนั้นก็ถ้าเรามีแผลไม่เป็นไรแต่ถ้าเราปิดกั้นอินซรีย์นะคือผู้ที่เป็นผู้ที่รู้จักดูแลแผลมีความรักษาแผลเป็นเรื่องสำคัญใช่หมหมอผ่าตัดเนี่เขาบอกอย่างดีนะเวลาเราถูกลูกศรแทงใช่ไหมมีแผลเกิดขึ้นเนี่ยก็หาหมอหมอก็มารักษาให้โดยการที่เอาเอา มีผ่าตัดมาผ่าแล้วใช้เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจหาว่าหัวลูกศร อ, อยู่ไหนแล้วก็เอาออก<ช>เอาออกเสร็จแล้วก็เอาย<ช>าแก้พิษไสเอายาแก้พิษใสแล้วก็เย็บแผลเย็บแผลให้เรียบร้อยแล้วปิดแผลเรียบ ร, ร้อยก็บอ ก, กเขานะ บ, บอกว่าว่าอนี่นะเธอจงรักษาล้างแผลให้ตามเวลานะอย่า ก, กินของแสลงถ้าแผลเนี่ยเปื้อนเกล็ดกังไปด้วยฝุ่นและเลือดเนี่ยก็ให้รีบล้างแผลให้มีแผลเป็นเรื่องสําคัญ แต่ปรากฏว่าคนนี้ดันไปกินของแสลงนะแล้วก็ไม่ล้างแผลตามเวลาเจอฝุ่นเจอเลือดก็ไม่ล้างแผลไม่มีแผ ล, แผลเป็นเรื่องสําคัญแผลก็แตกอักเสบเป็นพิษได้ครับพระเจ้าเปรียบที่เรื่องเนี้เหมือนกับว่ า, าตัณหานี่คือลูกศรถูกแทงแลนะพิษอันเป็นโทษของมันเนี่ยคืออวิชชานะรพระเจ้าเนี่ยใช้มีดมีดสัตราเนี่ยคือมีดผ่าตัดเนี่ย นะมาผ่าตัดออกมีดนี่ก็คือปัญญาัญญาเครื่องตรวจเครื่องเอ็กซเรย์ที่หาหูลูกศร น, นี่คือสติพอหานะ อ, ออกแล้วเนี่ยดึงออกมาเสร็จแล้วเนี่ยนะเอายาทาแผลใสอะไรต่างๆเนี่ยแล้วบอกว่าการามีแผลเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยก็คือการปิดกั้นอินทะรีย<อ>์ซึ่งตรงนี้มีอุปมาเปรียบเทียบไปหมดเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะต้องอคอยระวังรักษาอินทรีย์ของเราคือจิตของเราครับก็ระวังจิต อ่าประเด็นรประเด็นที่จะพูดเรื่องวันนี้ก็คือว่ามันเป็นเหตุเป็นผลเท่านั้นเองไม่มีอะไรเป็นของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของเจ้าของอะไรในโลกนี้หรอกอนะดูขนาะดตัวเราหม ร, รัตพงศ์ตอนจะตายนะเราก็ายังเอาตัวเราไปไม่ได้ถูกต้องครับนะแล้วก็ต้องทิ้งไปในโลกนี้เเอเ อ, เอแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ก็เป็นของของโลกเขาอะนะอ๋ออย่างนี้ตัวปฏิจจสมุปบาทก็คือ กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับไม่ไม่ได้ยึดว่าเออนี่ของเรานี่นี่ของเราตัวเราก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปตามเหตุที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับคือความเป็นเหตุเป็นผลเหมือนกันเถอะครับครับเอ่อเป็นความที่เรียกว่าเพราะมีเหตุมันจึงมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับ อ, อย่างนี้จะเชื่อมโยงกับควาว่าคันาตาได้ไหมครับก็คือไม่ใช่ตัวตนที่จะไปจับยึดเป็นทางสายกลางไง ใช่ไหมครับอ่าเป็นทางสายกลางที่ปริชาบอกอันนี้แหละคือทางสายกลางซึ่งทางสายกลางก็คือความเห็นที่เรียกว่าเป็นอนัตตาก็คือแหมมันสอดคล้องไปหมดนะธรรมะปริชาเนี่ยครับไม่ใช่ตัวตนไปจํายึดถ้าอนัตตาก็เชื่อมโยงถึงเรื่องของอนิจจังทุกขังได้ใช่ไหมครับเรื่องที่พูดมาเมื่อตอนต้นของรายการที่พูดบอกว่าทําปัญหาของธรรมะของปริชาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เนื้อธรรมะว่ามันไม่เวิร์คหรือว่าทําไม่ได้จริงแต่ปัญหาคือว่าคนไม่ทํา คนไม่ทําใช่ครับอาจารมารู้สึกร nope> sí. <ah> Line ู้สึกแบบก็เรียกว่าอึดอัดขยะกขยงต่อการที่เราบอกว่าให้ทําอย่างนี้แล้วไม่ทําอออืำคนที่บอกเฮ้ยคุณมีสีนเนี่ยคุณอยาไปประพฤติผิดไปฆ่าคนยาดาเขาสิแล้วเดินไปทํามันมันเห็นแล้วมันมันน่าขยะกขยงอือคืออาหารเก่านี่อยากจะออกมาคืออ้วกนะคือเราเห็นแล้วเราก็ไม่อยากยุ่ง Oh. เพราะฉะนั้น oh. ท่านผู้ฟังฟังให้ดีเลยนะฟังด้วยสองรูหูฟังให้ดีๆว่ารธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าบอกสอนอยู่อย่างไรเธอปฏิบัติอยู่อย่างที่พระองค์สอนเนี่ยจะทําให้แจ้งได้ซึ่งที่สุดแห่งการปฏิบัติภายในเวลาไม่นานไม่เกินเจ็ดปีเอาหลักการง่ายๆความเป็นเหตุเป็นผลเท่านี้เองพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่เป็นวินยูชนไม่โอ้อวดไม่มีมารยาและเป็นคนที่บอกง่ายสอนง่าย นะไม่โอ้อวดไม่มีมารยาเป็นคนตรงๆง อ, นะอ่ะนะเรามีธรรมชาติอย่างคนตรงขนขวายฟังธรรมะเป็นสัตบุรุษคบเพื่อนดีฟังธรรมะแล้วทําไมมันจะไม่บรรลุปถเอยถ้าเราทําอยู่อย่างที่พระเจ้าสอนสร้างเหตุที่ถูกต้องแล้วมันถึงแน่นอนใช่ไหมครับแล้วเรื่องธรรมะที่เราคุยกันอยู่วันเนี้ยแหมมันเป็ น, ปนธรรมะที่เรียกว่าเพียวเพียวเลยเออมันแก่นแท้ของธรม <c oughs> งธรมะแล้วอ่ะใช่ใใช่ครับอย่าโกรธอย่าด่าเขาอย่าคิดร้าย ทำให้เป็นปกตินะเป็นคนที่มีสติรักษาจิตนะมีความรักความเมตตามีความอดทนทําผิดแล้วก็แก้ไขนะสิ่งที่จะมากลัวอยู่อย่างเดียวมรัสพงคือว่าเออถ้าเผื่อว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติแล้วดูแลแผลเราแล้วรักษาแผลแล้วเนี่ยมันอาจจะมีการพลาดได้นะถ้าเราไปคบเพื่อนไม่ดีหรือว่าตอนที่มีภัยพิบัติอะไรเนี่ยให้เราราหลุดอ่า ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะพลาดนะใช่ครับเขาบอกว่าเนี่ยอย่างจิตสุดท้ายก่อนที่จะจิตจะดับหรือว่าร่างกายจะแตกดับเนี่ยโอ้มันสําคัญมากเลยใช่ไหมครับท่านเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตัวกําหนดภพภูมิต่อไปใช่ไหมครับเราเราเราพลาดไม่ได้เลยใช่ครับเราต้องคือพระเจ้าบอกว่ามารเนี่ยคอยช่องต่อเราอยู่อย่างไม่ขาดระยะอืมตลอดเวลาเลยมันต้องอยู่ตลอดเวลาตุนักจิ้งจอกเนี่ยจะคอยช่องก่อเตาใช่ไหม เต่าเนี่ยเดินอยู่ดิ่มําธารนะแล้วก็เห็นสุนัขจิ้งจอกเดินมารีบหดหัวหดขาเข้าใช่ไหมสุนัขจิ้งจอกก็คอยช่องอยู่นะว่าจะได้ช่องทางต่างหูจมูกลิ้นกายใจหรือกายหรือใจเหมือนกันเราต้องมาเนี่ยมันคอยช่องอยู่เราคอยช่องเราอยู่ยังไม่ขาดระยะเดี๋ยวมันไม่มาทางทีวีนะเดี๋ยวมันก็มาทางโทรศัพท์เ๋มันไม่มาทางโทรศัพท์เดี๋ยวมันมาทางอีเมลเดี๋ยวมันไม่ทางมาทางอีเมลเดี๋ยวมันมาทาง อะไรต่างๆนะใช่ครับมันมาได้ทุกทางเสนามามีมากๆเลยครับเราจะประมาทไม่ได้มนต์รัตพงเราก็ต้องระวังอายตนะทั้งหกใช่ครับภูรชาบอกว่าคนที่ฉลาดเรื่องเกี่ยวกับอายตนะเนี่ยคนที่ฉลาดเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นผู้ที่เรียกว่าจะทําให้พระสัตว์ธรมตั้งอยู่ได้นานเป็นผู้ที่เรียกว่าจะมีความเจริญในธรรมวินัยนี้อืย่างว่าแตเจ็ดปีเลยเอาแค่ฟังพอดแคสต์นี้จบอาจจะ มีความลึกซึ้งลงไปละเอียดซึ้งลงไปเป็นขั้นๆก็ได้ครับอืใช่ครับใช่ครับเพราะว่าอันนี้ก็คือเกณฑ์วัดก็อย่างที่เราเคยพูดกันเรื่องของอินซีห้าใช่ไหมครับใช่ใช่ชครับคือบางทีนะหมอรัตพงศ์ประการบรรทึกราชการเนี่ยนะอาตมาก็พูดไปตามตามความเขาเรียกว่าอะไรตามจังหวะที่มันจะไปได้อะเนาะครับเพราะนั้นท่านผู้ฟังฟังไปเนี่ยอาจจะแบบไปไหลไปเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างเนี่ย ก็ก็เป็นธรรมะของพระพุทธาเหมือนกันแะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเดียวกันนะเป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทบ้างเป็นเรื่องสติบ้างเรื่องอินทรีย์อะไรต่างๆบ้างก็ให้เข้าใจว่ามันเป็นธรรมะที่ไปกันได้เลยสนับสนุนกันได้แล้วก็เอามาเสริมเติมเพิ่มเติมให้ฟังให้เข้าใจกันไว้เงินต่อเพื่อความครบถ้วนแล้วก็เรียกว่าลุ่มลึกในธรรมะนะครับใช่ใครับมีคราวที่แล้วท่านมีพูดถึงว่า ความสัมพันธ์ของปฏิจจสมุปบาทกับขันห้าเนี่ยอเออตรงนี้ผมว่าหัวข้อนี้น่าสนใจนะครับใ่ใช่ใชแยงๆครับคือหลังจากที่อะไรมาได้ไปทําการศึกษามาเพิ่มเติมแลนะ้วก็มีข้อสังเก ต, ตอันหนึ่งว่าผู้รเจ้าเนี่ยไม่เคยอธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทพร้อมๆกันไปกับขันทั้งห้านะออมีแต่พูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทในในยะของอิสสี่นะพูดถึงปฏิจจสมุปบาทในเรื่องของโพชงเจต นะพูดถึงปฏิจสมุบาทในเรื่องของอิทธิบาตสี่โอ้ยพูดถึงปฏิจสมุบาติในเรื่องของความเพียนรนะเอ้ยมีเว้ยมีเรื่องอินทรีย์ด้วยแต่แต่ออไม่มีเรื่องของขันทั้งห้าบางคนอาจจะบอกว่าขันทั้ง5้าเนี่ยก็อยู่ในส่วนที่เป็นนามรูปไงแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาดูในรายละเอียดของนามเนี่ยนะนามคืออะไรหมอทศพนามก็คือสิ่งที่แต่งดับได้ เป็นตัวรูปต้นรูปไมอ๋อไม่ใช่ขอโทษครับผิดผิดจำผิดจำผิดนามนามก็คือสิ่งที่เป็นนามธรรมที่เหมือนกับจับต้องไม่ได้ก็คือพวกความคิดความจำอย่างเงี้ยสุขทุกข์อย่างเงี้ยเปนามก็เอาสิ่งที่เป็นพุทธประณะมาอธิบายฟังก็จะพูดว่าพุทธเจ้าก็จะบอกว่านามเนี่ยคืออะไรนะก็คือเจตนาสัญญามณสิการและวิตก อ๋อสี่อย่างนี้เป็นนามะรูปคืออะไรรูปก็คือครับท่านรายละเอียดเวทนาสัญญาเวทนาเจตนาเจตนาวิตกมณฑสิการห้าอย่างวิตกมนฑสิการครับห้าอย่างพูดผิดห้าอย่างเนาะครับห้าอย่างเป็นนามนามนะรูปคือรูปก็คือา่าดินน้ำไฟลมอ่าท่าทั้งสี่ครับเพราะฉะนั้นก็คือมันไม่ใช่มันไม่ใช่ขันห้า ถ้าถ้าเราบอกว่านามเนี่ยคือสัญญาเวทนาแล้วก็สังขารวิญญาณวิญญาณมันไม่ใช่นะเพราะนามในกรณีนี้ผู้เชี่ยวอธิบายเนี่ยคือเวทนาสัญญาเจตนาวิตกมรสิการ5้าอย่างเวทนาสัญญาตรงอยู่นแต่สังขาร ก, กับวิญญาณเนี่ยมันไม่มีใช่ไห<ช>มบางคนบอกว่าสังขาน <reco S 2> ี่คืออ่าสังขารคือคาคิดปรุงแต่งคิดปรุงแต่งใช่ไหมครับคือเจตานาวิตกแล้วก็มรณสิการ ไม่ตกใช่ครับวิตกเนี่ยไม่ใช่สันไม่ใช่สังขารเนี่ยวิตกเป็นสัญญาอ่วิตกใช่วิตกวิจารเป็นสัญญาออ๋ออย่างนี้อย่างนี้มันต่างกันแล้วเราจะงงครับท่านก็คือ<บ>เอา ง, ง่ายๆว่าเรื่องของประเด็นที่จะชี้ให้ดูก็คือว่าขันห้าเนี่ยแหละคือปฏิจัติสมุบาตโดยรายละเอียด ที่เราพูดถึงการทำงานของขันห้ใช่ไหมวิญญาณถิติมี4อย่างรูปเว็นธนาสัญญาสังขารวิญญาณไป9้าลงคถามว่าวิญญาณไป9้าวลงในลักษณะไหนอะไรยังไงการทํางานของขันห้าโดยรายละเอียดนั่นแหละคือปฏิจจสมุปาฏิวิญญาณเป็นอย่างนี้มีสังขารเป็นเหตุเหตุของสังขารคือมีอวิชาและวปรุงแต่งกันไปเรื่อยมีความทุกเกิดขึ้นนั่นแหละคือการทํางานของขันห้าโดยละเอียดอบอกกระบวนการเกิดใช่โดยละเอียด ครับโดยละเอียดโด ย, ยที่บอกว่าสิขั้นตอนใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องการทําความเข้าใจเรื่องของขันทั้งหเนี่ยเอ๊ะมันยังง ง, งงอยู่เนี่ยโอ้ถ้ามา<ช>ศึกษารเรื่องปฏิจจสมุปาเนี่ยจะคลายความเข้าใจได้นี่จะคลายความสงสัยลงไปได้แล้วมาเข้าใจเรื่องของ ข, องขันห้าได้อย่างชัดเจนนะทีนี้จะสอดคล้องกับคําถามของคุณอะไรครัที่ส่งมาพอดีของคุณทากโกศิริเฟซบ o ๊กอ่าจากส่งมาจากเฟซบุ o กอันนี้ครับครับมีฮะข้อหนึ่งแล้วก็คือท่านถามว่าให้ อธิบายเรื่องของขันห้าในในเรื่องที่ออนไลน์เนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าต้องการเข้าใจเรื่องของขันห้าในรายละเอียด <c oughs> นะก็เนี่ยฟังเรื่องปฏิจจสมุปาณิละ่ะจะเข้าใจได้อย่างทองแท้เลยทีนี้ว่าขันห้านี่ก็มีารายละเอียดเยอะเพราะฉะนั้นก็ไม่ทราบว่าสงสัยตรงไหนถ้าสงสัยตรงไหนที่เป็นรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงก็ที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของปฏิจจสมุปาณิแล้วเนี่ยก็ให้เขียนถามมาใหม่เนาะ เดี๋ยวพ อ, พอจะแจกแจงนิดนึงถ้าเกิดว่าเป็นขันห้าที่ทั่วๆั่วไป ท, ที่ในทางธรรมอธิบายกันก็จะมีเรื่องของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมครับใช่ใชครับก็จะมีเรื่องของรูปรูปนี้ก็คืออย่างก็คือธาตุดินน้ําไฟล ม, มใช่ไหมครับถูกต้องดินน้าไฟลมสัญญาสัญญาก็คือความจําได้หมายรู้ก็อันนีน้เราเราได้เคย ใช่ไหมครับอ่าใช่อันนี้เราได้เกิดอธิบายไปตรงส่วนที่ว่าอย่างประเด็นที่จะไฮไลท์ให้ทราบก็คืออย่างสัญญาอย่างเงี้ยไม่ใช่ความคิดที่เป็นไปในอดีตอย่างเดียวยังเป็นอนาคตก็มีสัญญาที่เป็นอนาคตเป็นปัจจุบันเป็นอดีตก็มีมสังการที่เป็นอนาคตปัจจุบันอดีตก็มีครับซึ่ง<ม>ซึ่งท้าอย่างนี้มันก็ทํางานด้วยตามระบบของความยึดนะความยึดและตันหาซึ่งความยึดและตันหาก็เป็นไปตามระบบของภาษาและเวทนาอย่างเงี้ยนะครับเหตุเกิดของเขาก็คือภาษครับ พผมคิดว่าถ้าอธิบายคร่าวๆอย่างนี้คงพอเข้าใจแต่ถ้ายังไม่เข้าใจให้ถามมาในรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงตรงไหนที่ไม่เข้าใจครับจะเปิดทําที่ถูกปิดไว้ให้ครับ<ว>ครับนะครับเรียนคุณทั ก, กะโก้ครั้งหนึ่งว่าถ้ายัางไงเจาะลึกมาเลยในส่วนของส่วนที่สงสัยนะครับครับทีนี้ก็อย่างนี้ความสัมพันธ์นระหว่างปฏิจจสมุปบาทกับขันห้าก็โอเคเริ่มเริ่มเริ่มเคลียร์ออกมาละเริ่มเคลียร์ออกมาละทีนี้ คำถามต่อไปได้ครับครับคํำถามต่อไปบุญทากโกเนี่ยบอกว่ากล่าวถึงเรื่องตอนที่ห้าเรื่องมิจฉาอาชีวะนะครับที่บอกว่าอาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องกับการการพูดนะฮะการพูดคือการพูดหวานล้อมเข้าใจว่าจะเป็นเรื่องของการขายการขายทางธุรกิจเช่นว่าต้องหวานล้อมบอกว่าจนต้องยอมตกลงอา่า ก็คือต้องขายของให้ได้นะครับคือเขาบอกว่าเขาทาธุรกิจอยู่อยู่กับการขายนะครับและปกติเนี่ยท่านนั้นเนี่ยไม่ชอบการโกหกแต่รู้สึกว่าบางสถานการณ์เนี่ยในการซื้อขายก็หลีกเลี่ยงการโกหกได้ยากคือไม่ได้คิดจะโกหกหรือหลอกลวงนะครับแต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยความจริงได้ทุกเรื่องนะครับคือเปิดไม่หมดแล้ว ก็ตอบเลี่ยงไปเป็นอย่างอื่นก็เลยคิดว่าเหมือนโกหกะนะครับท่านยกตัวอย่างบอกว่าถ้าลูกค้าถามว่าบริการนี้ใช้อุปกรณ์หรือระบบอะไรซึ่งตัวท่านนั้นไม่อยากเปิดเผยก็ต้องตอบเลี่ยงไปเป็นอย่างอื่นหรือบอกว่าไม่ทราบคือจริงๆอะทราบแต่ไปตอบว่าไม่ทราบก็เลยเหมือนกับว่าจำใจต้องโกหก นะครับแล้วท่านก็ถามต่อยว่าในชีวิตประจำวันเนะี่ยไอ้เรื่องอย่างเงี้ยเรื่องการซื้อขายทางธุรกิจหรือการเจราจาอย่างเงี้ยทำแล้วเนี่ยจะจะขัดต่อสินห้าและอาริยมัคมีองค์8หรือไม่อย่างไรครับ อ, อถ้ารามาตอบตรงๆแล้วก็อย่าโกรธอารามานะครับรผมไม่โกรธครับคือ ค, คืออันนี้ต้องเข้าใจว่าเราต้องต้อง ทำความเข้าใจให้นิดหนึ่งพระรูปาพูดถึงเรื่องของอเขาเรียกว่าอะไรมิจฉาชีวะมิจฉาชีวะมิจฉาชีวะก็คือโกหกนะ่ะโกหกใช่ใช้คำพิรีพิไรฟังให้ดีนะโกหกใช้คาพิรีพิไรการพูดล่อดเล่ต่าง่กนละ่อล่อล่อล่อล่อล่อก่อลาอล่อล่อล่อน่าล่อล่อล่อล่อล่อล่อล่อล่อล้อล่อ่อล่อล่อล่อล่อล่อล่อล่อล่อล่อล่อล อ่าล่อล่ามโดยล่ามบางกันเถอะล่ามโดยลามครับเพราะฉะนั้นพวกนี้คือมิจฉาอาชีวะทั้งหมดถามว่าผิดศีลไหมก็ก็ถ้าโกหกก็ผิดศีล น, นะแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องละเอียดเข้าไปในระบบของอริยมรรคมีองค์แปดถามว่าคุณทําบราอะไรที่คุณอ่าคิดว่าอาจจะพูดโกหกแต่ยังไม่รู้นะยังไม่มีนิฉัยอ่าใช้คําปิริพีิไรพูดหวานล้อเดี๋ยวพาเขาไปกินข้าวนะเพื่อที่จะให้เขาเห็นใจเราจะได้ซื้อของเพราะอะไรเพราะอยากขายของได้ใช่ไหมหถ้าไมอยากขายของได้ก็เพราะต้องการเงิน ทำไมอยากได้เงินก็เพราะว่าต้องมาอยากจะเลี้ยงลูกให้ได้ดีๆทําไมถึงอยากจะเลี้ยงลูกให้ได้ดีเอาก็เพราะว่าอยากให้ลูกมีความสุขครอบครัว<ะ>มีความสุขครับเนี่ยคือปัญหาหมอทะอตกตรงนี้เป็นปัญหาเพราะอะไรเพราะว่านี่ไงพพุทธเจ้าพูดไว้นะอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรนะคือตัณหานี้ใดอันทําความเกิดใหม่ให้เป็นปกติ เป็นไปกันกับด้วยความกำหนัดเพราะความเพลินมักเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆอะฟังคแค่นี้นี่คือคตัญหานะความอยากถามว่าที่เขาโกหกไปพูดล่อลาบโดยลาบมีของเอาไปให้หวังว่าเขาจะซื้อโปรเจกต์ใหญ่ถามว่าเป็นเพราะอะไรไม่ได้เป็นเหตุมาจากตัญหาทั้งนั้นหรอ นะเพราะว่าอยากอะไรอยากขายของได้อยากขายของได้เพราะอยากอะไรอยากมีเงินอยากมีเงินเพราะอยาอะไรอยากให้ลูกได้ดีอยากให้ลูกได้ดีเพราะอยากอะไรก็อยากอยากยากมีแต่ความอยากอยากมีแต่ตันหาตันหาตันาตันหาเป็นเหตุของความทุกข์ครับฟังให้ดีตันหาเป็นเหตุของความทุกข์ถูกต้องครับตันหาแบบไหนเป็นเหตุของความทุกข์คือไม่ใช่ว่าความอยากทุกอย่างเป็นเหตุของความทุกข์นะหมอรัตพงศ์ความอยากบางอย่างสมมติพระเจ้าอยากไปโปรดสัตว์อย่างเงี้ยความอยากแบบเนี้ยคือเราต้องใช้ความหมายเข้าใจ ตัณหากับอ <hier>, <Title. S 1> ยากไม่เหมือนกันไม่เหมือนครับอ่าอยากเนี่ยอาจจะอยากในดีก็ได้อยากไม่ดีก็ได้ถูกไหมอยากบรรลุมรรคผลอย่างนี้ อ, อย่างนี้โอเคถามว่าอ่าแล้วอยากอย่างนี้ไม่ดีหรอถามว่าอย่างนี้เป็นตัณหาไหมหมายถึงว่าความอยากอย่างที่อยากบรร <Brand. S 1> ลุมรรคผลอะความอยากอย่างนี้เป็นตัณหาไหมเบื้องต้นน่าจะเหมือนเหมือนเราต้องวิเคราะห์พุทธวจนะบทนวิชันทะใช่ไหมหมอท่างฟังให้ดีต้องใช้วิเคราะห์พุทธวจนะที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ ตัณหาที่เป็นไปเพื่อความทุกข์เนี่ยคืออะไรคือความคือตัณหาที่เป็นไปเพื่อความเกิดใหม่เป็นปกติตัณหาที่จะพาเราไปเกิดความอยากที่จะไปเกิดนะอยากให้อย่างนั้นเป็นอย่างนี้คือสภาวะไงอยากได้มีสภาวะนั้นสภาวะนี้เนี่ยไปเกิดละจิตไปเกิดละใช่ครับที่เป็นไปด้วยกับความกำหนดความอยากที่เป็นไปด้วยกับความกำหนดความกำหนดอะไรด้วยอำนาจความเพลินเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีความอยากอย่างนี้เกิดขึ้นนั่นแหละ เป็นความอยากที่จะพาให้มีปัญหาต่างๆ ต, า, งตามมาเป็นพวนเช่นการพูดคําหยาบการพูดส่อเสียดการพูดโกหกนะการที่ทําอะไรต่างๆการใช้อาวุธมีคมไม่มีคมปัญหาต่างๆเกิดตามมาหมดเพราะความอยากพูดถึงความอยากนั้นหมอรัตพงศ์อาตมาคนลุกสู้เลยเพราะว่า ม, มันน่าขยักแยงมากที่สุดในโลกเลยครัมันเป็นเหตุ ข, ของความทุกข์ทั้งปวงใช่เพราะฉะนั้นที่เราโกหกก็ตามพูดไม่ดี มีความเครียดกับเขาเพราะมันอยากอยากได้สภาวะนี้อยากในกามอยากในพบนะอยากได้สภาวะนี้อยากให้โอ้ศาสนาเจริญนี่ไงเขาเรียกว่าวิอภวตันหาอภวตันหาอยากในสภาวะนี้อยากได้บ้านอยากได้รถนี่ไงการมาตัญหาครับอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้อันนี้ไงอภวตัญหาไม่อยากเป็นอย่างนั้นไม่อยากเป็นอย่างนี้นี่ไงวิภวตัญหาไม่อยากเป็นเพราะฉะนั้นอย่าตกเป็นอำนาจอยู่ในอำนาจของตัญหาตัญหาไม่เหมือนกับความอยาก นะความอยากแบบไหนที่ทำให้มีสภาวะใหม่อันนั้นอย่าทำความอยากแบบไหนที่เป็นไปด้วยกับความกำหนัดความอยากแบบไหนที่เป็นเพราะอำนาจความเพลินอย่าให้มีนั่นจะพาเราไปทุกข์ครับครับอย่างนี้เราเราก็ควรจะตั้งความปรารถนาในเรื่องของความปลดปล่อยคือถ้าอยากหรือตัณหาก็คือไปยึดใช่ไหมครับเกิดอุปท า, านไปจับยึดเราต้องวิธีจะละตัณหาทำยังไงหมอง ทำตรงกันข้ามด้วยกันก็ทำมาร์กไงไม่ใช่ทำตรงกันข้ามทำมาร์กทำมาร์กอ๋อทำมาร์กที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นครับใช่ไหมเดินตามมาร์กที่พระเจ้าได้บอกสอนไว้แล้วครับระยะอัตถังกิ่งกมาร์กนี่คือใดสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะด้วยนะอย่าลืมใช่ครับเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐินําหมดขั้นนี้ก็คือสัมมาอชีวะคืออย่างนี้ในทางปฏิบัติจริงๆท่านแนะนําว่าคนบอก บอกหมดเปิดหมดอย่างนี้ไม่ใช่ใช บ, บอกหมดอย่างนั้นถ้าถ้าการบอกของเราเนี่ย ถ, ถ้าการบอกหรือไม่บอกของเรานะาเป็นไปเพราะความกําหนัดเป็นไปเพราะความอยากอย่าให้มี<อ>แต่ถ้าความไม่บอกของเราหรือการบอกของเราเป็นไปเพื่อการหลีกออกจากกาม เป็นไปเพื่อการไม่ได้มีความเกิดใหม่บอกได้ไม่บอกได้ทําไมอาจารย์ถึงพูดอย่างนี้เพราะว่ายกตัวอย่างพระเจ้าที่เราได้เคยพูดกันไปแล้วในเรื่องของสัมมาวาจาที่พระเจ้าเลือกที่จะไม่พูดบางอย่างที่ตอนที่พระเทวราชวางแผนคนไปฆ่าจําได้ไหมถ้าไม่จําไม่ได้ไปหาฟังตอนสัมมาวารจานพูดย่อๆตรงนี้บอกว่าเลื่อนมานั่งอีกตรงหนึ่ง และคนนั้นนักฆ่าคนที่หลังๆมาถามบอกว่านักฆ่าคนนั้นอยู่ไหนพระพุทธเจ้าก็บอกว่าตั้งแต่มานั่งตรงนี้ยังไม่เห็นใครมาเลยนะอันนี้พูดจิตพูดจริงแต่ว่าไม่พูดบางอย่างถามว่าการไม่พูดบางอย่างหรือเลือกที่จะพูดบางอย่างของพระพุทธเจ้าตรงนั้นเอาอะไรเป็นเหตุเอาอย่างนี้เป็นมิจาบรรจารหรือเปล่านะเพราะว่าอะไรการพูดของพระพุทธเจ้าตรงนั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อการออกจากการมเป็นไปเพื่อการฟังพระัทธรรมเป็นไม่มีความกำหนัดไม่มีความเพลินไม่มีความเกิดใหม่เป็นปกติ ถามว่าคุยคุณทําอ่ะคุณทําเพราะเหตุอะไรอ๋ออย่างนี้ตัวเจตนาสําคัญนะฮะเจตนาในจิตใช่ไหมครับว่าเพื่อเพื่ออะไรอ่าเพราะฉะนั้นอะไรอะไรเป็นเหตุในการที่คุณกระทําอย่างนั้นถ้าเป็นไปด้วยกันกับที่ไม่ใช่มีตัณหามันก็ไม่มีทุกข์สิไม่มีทุกข์เราจะมาต้องกังวลอะไรใช่ป่ะเราจะมีความที่เรียกว่าไม่ร้อนใจพอไม่ร้อนใจก็มีความสบายใจมีปิติเกิดขึ้นมีสุขเห็นตามที่เป็นจริงได้ปล่อยวางได้เทนั้นเอง เพราะนั้นคำถามของคุณที่มาจาก f a c e b o o k ทากโกะเนี่ยถ้าตอบกันอย่างสุภาพชนตอบนะก็คือว่าก็อยู่ที่เจตนาว่าเจตนาเนี่ยเป็นไปเพื่อการสร้างพบใหม่ไหมเป็นไปเพื่อความกาหนัดไหมเป็นไปเพื่อความเพลินไหมเป็นการเพื่อการเข้าสู่กาไหมถ้าเป็นก็แตดผิดอยากทำถ้าเราขายของนะขายได้ก็เอาขายไม่ได้ก็ ก็ไม่เป็นไรใช่อืมครับเพราะฉะั้อาชีพนักขายเนี่ยจึงต้องระวังให้มากใช่ครับอืมเพราะว่าเกี่ยวกับการพูดตลอดเลยครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าตอบคำถามนี้แล้วครันะล้วก็อประเด็นที่จะสรุปก็คือว่าเราต้องบางทีต้องเชื่อมโยงพัสดุนะเนาะหมอรัตพงเนาะใช่ครับอในี้ต้องใช้ปัญญาเยอะทีเดียวนะครับในการที่จะอเชื่อมหาเหตุผลว่า เราทำกรรมอย่างนี้เนี่ยบางทีมันมีความกังวลในใจล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนเอานะถ้ามีความกังวลอยู่เนี่ยก็เลิกซะหรือไม่ก็ค่อยๆเปลี่ยนนะโดยกา ร, รที่สิ่งใดที่เป็นกุศลเราทำให้ก่อนนะกุศลใดที่เรายังเลิกไม่ได้ละไม่ได้นะเราก็ทำสิ่งที่เราทำได้ก่อนอย่างนี้นะครั บ, รบให เหมือนกับว่าบอกว่าหยิบฉวยได้ไวในกุศลธรรมใช่ไหมครับใช่ใช่ครับอันนี้มีคำถามพ่วงมานิดนึงของคุณทักกะโกเนี่ยอบอกว่าการเหมือนพูดถึงว่าโปรโมชั่นเหมือนว่าการที่มีการขายเนี่ยอบอกว่าโปรโมชั่นเช่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหรือว่าลดราคา อ, อ, อย่างเงี้ยคือเป็นการล่อล่าด้วยราบไหมครับก็คื อ, อ ก, ก็ถ้าตอบด้วยหลักการเดิมก็เป็นไปได้ นะหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้สมมุติว่าเราลองคิดดู2กรณีมอณัฐพงศ์คนแรกเนี่ยเอาโปรโมชั่นมาล่อเพื่อหวังที่เขาลูกค้าจะได้ซื้อใช่ไหมเช่นธนาคารเนี่ยเอา iPad มาล่อเพื่อหวังให้ลูกค้าซื้อประกันชีวิตใช่ไหมอ่าหรือกรณีที่สองที่เรามีความก็เรียกว่าจริงใจกับบุคคลนี้มากซื้อของเราเราพอจะมีกําไรเราหาอะไรมาให้เขาเพื่อเป็นการเกื้อกูลกันอ่าเป็นก็เรียกว่าการสงเคราะห์กันด้วยการให้ทานแต่บางที่เราไป ประเทศไหนต่างประเทศอย่างเงี้ยทาไมหมอรัฐพง์ไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดซื้อของมาฝากเพื่อนอะครับเพราะรู้สึกอยากให้มีความสุขเรามีจ่าคะเรามีคลายความตระนิเราจึงให้เห็นไหมมันคนละเหตุกันเลยนะเหตุแรกเนี่ยเป็นไปด้วยความกําหนัดด้วยอํานาจความเพลินทําความเกิดใหม่ให้เป็นปกติแต่ว่าเหตุที่สองเนี่ยเป็นไปเพื่อความอ่าเป็นไปเพราะจ่าคะเป็นไปเพราะว่ามีฝ่ามือชุ่มอยู่เป็นปกติยินดีในการให้เป็นผู้ควรกับการขอยินดีในการจะแนกแจกทานทำไมจะไม่ดี คือจะพูดถ้าพูดฟังเร็วไปนะถ้าพูดฟังเร็วไปให้รีเวิร์แล้วก็ฟังให้ดีอีกครั้งหนึ่งฟังใหม่เพราะฉะนั้นก็ในลักษณะนี้แหละนะเราก็ต้องวิเคราะห์กันว่าโปรโมชั่นหรือว่าสิ่งที่เรามีกำนันของกำนันอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สมควรหรือไม่แต่บางทีเราบางคนน่ะมาเคยเจอมรดกพงเขามีพ่อแม่เขาเนี่ยมีอาชีพทำไรทานา ทำสวนสวนผลไม้อยู่ที่จันทบุรีบางบางปีเนี่ยโอ้โหมังคุดนี่มันมากเหลือเกินนะเขาก็เอามังคุดเนี่ยมาแบ่งลูกค้าเขามาแบ่งลูกค้านะะลูกค้าซื้อของเอามังคุดให้ที่บ้านมีอ๋อแถมถามว่าอย่างเนี้ยเป็นเป็นการล่อลามเดียวลาหรือไม่ไม่ใช่ไม่เลยมันเป็นความรู้ธิ์ใจของเราที่เราจะให้เขาอ่ะเป็นใช่ป่ะมีความสุขที่จะให้อ่าเพราะฉะนั้นให้ให้ให้วิเคราะห์อย่างนี้ให้พิจารณาอย่างนี้นะให้มีสติในลมหายใจเข้าลมหายใจออก ให้ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นคนอดทนเป็นคนมีเมตตานะอย่าไหลไปตามช่องอย่าไหลไปตามอำนาจของตันหาอย่าไหลไปตามมานครับอย่างนี้พูดถึงว่าขอเชื่อมโยงในเรื่องของการทำบุญด้วยเลยได้ไหมครับอย่างเงี้ยโหถ้าก็จะไม่ขึ้นกับตัวเงินใช่ไหมครับก็เขาที่ฟังใช่ใช่ใ่เรื่องของทานเนี่ยโหมันพูดได้ยากวันนั้นอาจารย์ได้ไปพูดเรื่องของทานนี่แหละ เรื่องของอนุบุพิกถานะห้าทั้งหมดห้าตอนตอนละครึ่งชั่วโมงเรื่องของทานเรื่องของสีเรื่องของสวรรค์อันนี้สอของการออกจากกามโทษของกามอะไรต่างๆเนี่ยจะเอามาคุยให้ฟังก็ได้ในรายการขอแบบมันๆกันหน่อยบางทีเนี่ยนโอกาสบางทีเราพูดธรรมะไปมอตสพงของมันขึ้นของมันขึ้นแล้วมันก็ของมันขึ้นนะะครับเพ้นวันนี้พอแค่นี้แหละครับ แล้วใครมีคำถามก็ส่งมาครับแล้วก็ใครอยากฟังอะไรก็รีเควส์มาครับครคราวหน้าจะพูดเรื่องอะไรดีล่ะมารัตพงศ์ปฏิจจสมุปบาทนี่จะมีส่วนที่จะเป็นคำถามอะไรเผื่อมีคำถามมามีประเด็นมีประเด็นอีกนะเ็นคือประเด็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทที่ให้ไปถึงวิมุต อันนี้ยังยังไม่ได้เชื่อมโยงกันทำยังไงเอ๊ะมันไปถึงวิมุตได้อย่างไรนะรู้ตรงนี้แล้วจะเป็นอย่างไรก็เอาทั้งละเอียดทั้งหยาบจะพูดให้ฟังในกราวหน้าครับวันนี้พอแค่นี้ขอบคุณแกเวลาครับก็กราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ภัยบูลอภิปุโนนะครับแห่งวัดป่าดอนไอ้โศกจังหวัดสกลจังหวัดอุดรธานีอ่าอุดรธานีแล้วก็อ่าก็ขอแสดงความ ยินดีกับท่านผู้ฟังได้ฟังรายการแล้วก็หมอนนัาตุงด้วยในการที่มาร่วมกันดำเนินรายการนะโอเคงั้นก็ไว้ฟังกันต่อคราวหน้าัชผ่พนทุกท่านครับครับกับรายการครับ